hmm <sweak> ตอนนี้อากาศรอบตัวเรานะท้องฟ้าก็มืดแต่อีกไม่นานก็จะสว่างคนเราเนี่ยนะถ้าถ้าหากว่าจะเป็นเหมือนท้องฟ้าในยามนี้ก็จะดีนะคือมืดแล้วก็สว่างในที่สุดผู้ชบเปรียบเอาท้องฟ้านี่นะมาจำแนกบุคคลเป็นชนิดต่างๆบางคน ต้นสว่างแล้วก็ปลายมืดนะแต่บางคนต้นมืดนะแต่ปลายเนี่สว่างในสมายพุทธกาลก็มีบุคคลหลายประเภทบางคนก็เริ่มต้นด้วยดีนะแต่ว่าลงท้ายก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่บางคนเริ่มต้นไม่ดีแต่ว่าลงท้ายนี่กลายเป็นดีถคนที่เริ่มต้นดีแต่ว่าลงท้ายเนี่ยไม่ดีประเภท ต้นเนี่ยสว่างเนี่ยแต่ว่าปลายมืดหรือว่าปลายนี่โผล่เพลย์ไปเลยอย่างเช่ น, นพระสุธินเนี่ยพระสุทินก็มีประวัติน่าสนใจตอนที่เป็นค า, ารวาสก็เป็นคนที่สนใจธรรมะเป็นลูกชายของข้าบดีที่ร่ำรวยก็ไปฟังธรรม ของพุทธเจ้าแล้วเกิดศรัทธายอยากจะออกบวชเมื่อไปทูลถามพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็ถามว่าพ่อแม่อนุญาตหรื อ, อยังก็พ่อแม่ยังไม่รู้เรื่องเลยนะก็เลยไปขอขอพ่อแม่จ อ, อกบวชแต่เนื่องจากตัวเองเนี่ยเป็นลูกคนเดียวนะของครอบครัวพ่อแม่ก็เลยไม่ยอมเพราะกลัวว่าจะไม่มีทายาทนะสืบทอดวงตระกูล อสุทินเนี่ยมีศรัทธามากนะว่าชาตินี้ขอจะออกบวชให้ได้ที่จริงตัวเองก็มีมีภรรยาแล้วนะแต่ว่าก็คิดถึงขนาดว่าจะละทิ้งครอบครัวเพื่อออกบวชเมื่อพ่อแม่แม่นุญาตก็เลยอดอาหารประท้วงการอดอาหารประท้วงนี่มีมานานแล้วนะเป็นธรรมดามากในสมัยทธกาณ พระรัฐบาลเนี่ยออกบวชได้ก็เพราะว่าประท้วงพ่อแม่นี่แหละอดอาหารอยู่นานจนร่างกายผายผอมพ่อแม่กลัวลูกจะตายก็คิดว่าเออยังไงให้ลูกได้บวชนะ ย, ยังดีกว่าปล่อยให้ลูกตายนะก็เลยอนุญาตพอได้บวชในพระสุทินก็ตั้งใจปฏิบัติมาก บำเพ็ญทุดงควร์อย่างเข้มงวดเนะข้าไปอยู่ป่าห่างไกลาจากพ่อแม่ก็เรียกว่าแทบจะไม่เข้ามาในเมืองเลยแต่ก็มีช่วงหนึ่งนะเข้ามาในเมืองแม่พ่อแม่เห็นทีแรกก็จำไม่ได้นะแต่พอรู้ว่าโอ้ลูกชายนะเข้ามาในเมืองก็นิมนต์ให้มาฉันอาหาร พ่ะสุดทินก็ไม่อยากจะเข้าไปฉันอาหารในบ้านนะแต่สุดท้ายก็ยอมรอ่งที่ฉันอาหารทางพ่อแม่ก็ขอร้องนะให้ศึกอ้อนวอนนะเพราะว่าไม่มีทายาติเลยถ้าเกิดว่าพ่อแม่ตายเนี่ยทรัพย์สมบัติทั้งหมดเนี่ยมันก็ต้องตกเป็นของหลวงอ้อนวอนอย่างนี้นะหวานล้อมด้วยเหตุผลแบบนี้พ่ะสุดทิก็ไม่ยอมก็บอกว่าเนี่ย ก็เอาเงินเอาทรัพย์สมบัตินะมันทิ้งไปเลยก็ได้นะมันไม่สำคัญหรอกหลวงจะยึดเอาไปก็ไม่เป็นไรก็ยังเยืนกลางาที่จะบวชนะมั่นคงในภรมจารย์ต่อไปแต่ตอนหลังนี้พ่อแม่ก็ออกอุบายนะให้ให้อดีตภรรยาเนี่ยมาขอร้องว่ า, าถ้าพระสุทธิตไม่ศึกไปเพื่อไปเป็นทายาิของวงตระกูล อย่างน้อยถ้าว่ามีบุตรนะกับตนก็ให้บุตรเนี่ยนะเป็นผู้ที่เป็นทายาทนะนะสืบทอดวงตระกูลของบ้านต่อไปอันนี้ก็เป็นการประนีประนอมนะคือพอสุดทิงก็มองเออถึงแม้เราไม่ไม่ศึกไปไม่ไปเป็นทายาทนะของพ่อแม่นะแต่มีลูกไปทำหน้าที่แทนก็ดีเหมือนกัน ตัวเองก็ได้บวชต่อส่วนพ่อแม่ก็พอมีทายาติสืบทอดวง์ตระกูลแล้วก็ได้มามารบ ก, กวนตัวเองก็จะได้บวชเป็นสุฆสักทีนะก็เลยยอมนะยอมที่จะไปมีเพศสัมพันธ์นะกับอดีตเมียก็ได้ลูกนะสมปรารถนาแต่ว่าก่อนที่ลูกจะคลอดเนี่ยนะพระภิกษุก็ทราบความ ว่าพระสุทินนี่ไปมีไปเสด็จมถุนกับอดีตเมียก็ไปทูลฟ้องผู้เจ้าสมัยนั้นเนี่ยมันยังไม่มีการบัญญัติสิกขาบทในเรื่องปฐมไปเรื่องในเรื่องปาราชิกนะมีแต่สิกขาบทเล็กน้อยเช่นไม่ชั้นอาหารในเวลาวิการเนี่ยมันมีสิกขาบทเล็กน้อยเกิดขึ้นมาก่อนแล้วนะแต่เรื่องการ ห้ามเศษเมทุนเนี่ยเพคือเจ้ายัางไม่ทรงบัญญัติเพราะว่าสมัยนั้นยังไม่มีใครทําผิดเรื่องนี้แล้วก็อีกอย่างนึงก็เป็นที่รู้กันนะว่าไอ้การเศษเมทุนเนี่ยมันเป็นศัตรูกับพรหมจันทร์นักบวชที่เขาไม่ทํากันอยู่แล้วนะไม่จําเป็นต้องประกาศหรือห้ามหรอกก็เป็นเรื่องที่รู้กันอยู่แล้วแต่ครั้นเนี่ยพระสุทินทําสิ่งนี้ขึ้นมา และผู้เจ้าทราบความก็เลยก็เลยเรียกพระสุธินมานะไต่าถามได้ความจริงว่าเป็นเช่นนั้นพระองค์ก็เลยกล่าวตำหนิพระสุธินอย่างแรงแล้วก็จากนั้นก็ได้บัญญัตินะสิกขาบทข้อแรกเลยนะปฐมปาราชิค่าว่าข้อแรกเนี่ยนะไม่ใช่ว่าบัญญัติแรกสุดนะแต่หมายถึงเป็นข้อแรกใน ในสิกขาบทนะที่ชื่อว่าปฏติโมกเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่าเป็นพระสุจินนี่เป็นที่มาของปฐ ม, ม, มบันปามปารชิกนะคนที่ทําผิดเอาคนที่ก่อเหตุคนลรนี่เขาเรียกวต้นบัญญัติยังไม่ปรับเป็นความผิดนะเพราะว่ายังไม่มีกฎยังไม่มีระเบียบห้ามเอาไว้หรือเรียกว่าสิกขาบท พระสุทินก็เลยนะถูกจารึกไว้ใน พ, พ, พุทธศาสนาว่าเป็นต้นบัญญัติปฐมปาราชิกก็กลายเป็นว่าการบำเพ็ญประพฤติปรมจัยของพระสุทินเนี่ยซึ่งเริ่มต้นด้วยความศรัทธาอย่างแรงกล้าถึงขั้นยอมเอาชีวิตข้อแรกเนี่ยสุดท้ายก็พลาดเผลอนะพลาดพลังไปก็จบไม่สวยนะแต่ว่าตอนหลังเนี่ย อดีตภรรยาแล้วก็ลูกชายที่เกิดนี่ก็บวชทั้งคู่นะแล้วก็ได้เป็นพระอาหารหันต์ทั้งคู่เลยพระสุธินไม่ได้เป็นนะก็คงปฏิบัติได้ไม่ไม่ประสบความสำเร็จเท่าไหร่แต่ทั้งอดีตภรรยาแล้วก็ลูกชายก็ได้เป็นพระอาหารหันต์ทั้งคู่ก็ถือว่าพระสุธินนี่ก็ได้ทำประโยชน์ให้กับพระศาสนานะทำให้มีพระอาหารหันต์มีส่วนทาให้มีพระอาหารหันต์เกิดขึ้นถึงแม้ว่า จะถูกตำหนินะว่าได้สร้างความดังพร้อยให้กับวงการคณะสงฆ์ในสาวัตถุการก็ตามอันนี้ก็เปรียบเหมือนกับนะต้นสว่างนะแต่ว่าปลายมืดนะถึงแม้จะไม่มืดสนิทนะอย่างพวกที่เป็นพระทุศีลหรือว่ า, าทำชั่วไปหลอกลวงผู้คนมีแบบนี้มีเยอะนะแต่ว่าก็ถือว่าเป็นปลายมืดนะ ได้เหมือนกันส่วนต้นนะสว่างต้นมืดแต่ปลายสว่างเนี่ยที่น่าสนใจก็คือนะพระฉันนพระฉันน ะ, ะ น, น, นีะ่หลายคนก็คงจะคุ้นนะเพราะว่าเป็นจะเรียกว่าเป็นสหาชาติกับผู้ทเจ้าเป็นคนที่พาพูะเจ้าเนี่ยสมัยเป็นเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยออกจากราชวังนะแล้วก็ไปได้เห็น เทวทูตสามคนแก่คนป่วยคนตายทําให้เจ้าชายสิทธัตถะเห็นโทษของวัตตะสงสารนะแล้วอยากจะหาทางพ้นทุกข์แล้วก็ตอนที่เจ้าออกบวชเนี่ยนเจ้าชายสิทธัตถะออกบวชเนี่ยอัญชันนาก็มีส่วนรู้ด้วยคราวนี้เนี่ยพอผู้เจ้าเนี่ยเสด็จกลับกรุงกระเบรพัฒน์หลังจากที่ทรงตัดสรตวพระสัมมาสัมพุทธิญาณแล้วนะอัญชันนาก็ ปรารถนา่อจะออกบวชพร้อมๆกับพระญาตนะิตอนนั้นนี่ก็มีคนออกบวชเยอะพระอนนท์พระเทวทัตเนี่ยบวชก็ตอนนั้นแหละรวมทั้งชนะด้วยนะชนะมาบวชแล้วเนี่ยนะก็ถือตัวตัวเองเนี่ยเป็นคนใกล้ชิดสนิทสนมกับผู้เทิเจ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยถือตัวว่าตัวเองเนี่ยนะวว เ, เ, นยนะเป็นคนพิเศษก็พูจาคม ขู่หรือข่มขีดูถูกพระรูปอื่นๆหาว่าเป็นพวกมาทีหลังนะฉันเนี่ยเป็นคนสนิทนะอยู่กับพระพุทธเจ้าตั้งแต่ยังเป็นเด็กนะนะถือว่าเป็นคนสำคัญนอกจากพูดจากดดันข่มขู่ผู้อื่นแล้วเนี่ยก็ไม่ยอมประพฤติปฏิบัติตามพระวินัยเพราะถือว่าเป็นคนใกล้ชิด ก, กับพระพุทธเจ้า นะสร้างปัญหาให้กับคณะสงฆ์มากนะจกนกระทั่งเมื่อพระเจ้าทรามก็สง่งลงโทษนะลงโทษนะพระชนนะแค่อุเคปนิยกรรมนะก็คือว่าไม่ให้พระเนี่ยร่วมฉันอาหารหรือว่าอยู่ร่วมไม่สนทนาพูดคุยพระชนนเนี่ยตอนหลังก็ เ, ออเกิดสำนึก ก็พยายามประพฤติตัวให้ดีขึ้นแต่แล้วเนี่ยก็กลับไปเป็นเหมือนเดิมนะไม่ปร ะ, ประพฤติปฏิบัติตามพระวินัยนะแล้วก็ชอบตำหนิตีเตียนพระสงฆ์โดยเพราะผู้ที่มีอายุอ่อนกว่าพู้เจ้าก็ทรงลงโทษอีกนะพระชนะก็ปรับตัวดีขึ้นมาอีกหน่อยสุดท้ายก็แย่อีกพระองค์เนี่ย ตักเตือนหลายครั้งก็ยังเหมือนเดิมเรียกว่าเป็นมาตลอดสี่ิบ้าพันษาเลยก็ว่าได้นะจนกรทั่งตอนที่วิจารย์นี้ใกล้จะไปนิพพานเนี่ยส่งพระชาลาแล้วนะพระชนาะาก็ยังไม่เลิกนะอันที่เป็นปัญหาคือนะชอบคือรู้จักรู้สึกอิจฉานะพระอัครส า, าวกนะพระมคขลานะภาษาลิบุตรตัวเองเนี่ยอิจฉาว่าเนี่ย คนเหล่านี้เนี่ยมาทีหลังนะสมัยตอนที่พระเจ้าออกบวชเนี่ยก็ไม่เห็นมีใครก็มีแต่ตัวเองเนี่ยมีแต่ตนเนี่ยนะอยู่เคียงข้างพระเจ้าอันนี้พอคณะสงฆ์เจริญเรื่องก็ก็มีคนสองคนนี่แหละนะที่มาอวดอ้างว่าเป็นอัครส า, าวกก็ตำหนินะพระมุคลลานสาราิบุตรด่าว่า พุทธเจ้าก็ทวงติ่งนะว่าทั้งสองท่านนี้ไม่ได้ปรารถนาเป็นภระครรสาวกนะแต่ว่าพระองค์ทรงแต่งตั้งว่าเพราะเป็นผู้ที่มีคุณความสามารถพระชนะก็ไม่ฟังก็ตําหนินะด่าว่าบริพาศนะพระมค ok ระนัสสาเรือบุตรอีกทํานี้อยู่หลายครั้งนะพระองค์ตักเตือนก็ไม่ฟังนะอันนี้น่าสนใจนะให้คนที่ดื้อด้านมากที่สุดเนี่ยมักจะเป็นคนที่ ใกล้ชิดกับนะพระพุทธเจ้าอันนี้ก็เกิดขึ้นกับหลายคนเหมือนกันนะผู้ที่มีอำนาจเนี่ยไอคนที่ดื้อที่สุดเนี่ยก็คือคนที่อยู่ใกล้ตัวหรือว่าคนที่พระองค์เนี่ยนะทรงอยู่ใกล้ชิดอย่างเช่นตอนที่พระองค์ประจาอาศัยที่กรุงโกสัมพีเนี่ยพระก็สองกลุ่มก็ทะเลาะ ก, กันทะเลาะ ก, กันแบบที่เรียกว่าไม่ฟังพระเจ้าเลยนะญาติโยมเนะี่ยยังฟังนะญาติโยมทะเลาะ ก, กันที่พระเจ้าเตือนพระเจ้าท้วง หรือติดเตียนเนี่ยก็กลับมาสำนึกผิดได้แต่ว่าคนที่สำนึกผิดได้ยากเนี่ยก็คือพระนี่เองเนะพระสงฆ์กุศลพีเนี่ยผู้เจ้านี่ถึงขั้นประทว้วงนะต้องเสด็จไปอยู่วัด อ, อยู่ป่าเลยเเพราะว่าพูดยังไงก็ไม่ฟังเอาแต่เถียงเอาแต่ทะเลาะ ก, กันยิ่งคนใกล้ตัวนี่พระยิ่งก็คือพระชนานี่ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่นะลงโทษก่อนแล้วนะตำหนิติดเตียนก็แล้วก็ไม่ฟัง จนทางพุทธเจ้าตอนที่ปรณิปานเนี่ยก็ฝากบอกพระอนนท์ว่าเมื่อพระองค์ปิณิพานแล้วเนี่ยให้คณะสงฆ์เนี่ยลงพรมทันพระันนะนีพราะพระองค์เนี่ยเรียกว่าไม่รู้จะไม่รู้จะพูดยังไงกับพระันนะแล้วนะนี่ขนาพระพุทธเจ้านะอันนี้พอเจ้าเสร็จปินิพานแล้วก็พอเสร็จเรื่องการอถอยพระเพลิงปลงศิริราชของพระองค์นเนี่ยพระพระอนนท์ก็ ทำหน้าที่ทันทีนะเดินทางไปเมืองโกสัมพีแล้วก็ไปบอกกับพระชนะว่าคณะสงฆ์เนี่ยให้ลงนะพรหมทันพระชนะพระชนะเนี่ยไม่รู้จักคำว่าลงพรหมทันก็ถามว่าหมายความว่าอย่างไรนะพระนองก็อธิบายว่าคณะสงฆ์เนี่ยลงโทษ ด, ด้วยการไม่พูดไม่คุย ไม่สนทนาไม่คบค้าสมาคมและไม่สอนพอพระชนะได้ยินที่เช่นนั้นเนี่ยตกใจนะเป็นลมเลยฟื้นขึ้นมาแลลึกดวาวตัวเองถูกลงพระมาณเป็นลมอีกครั้งหนึ่งสุกแล้วเป็นลมอีก3าครั้งนะเพราะรู้สึกว่าเป็นโทษที่หนักมากคราวนี้แหละสำนึกผิดเลยนะกลับมาตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติประพฤติตัวเรียบร้อยนะไม่พูดจาข่มขี่ใครต่อไป เพราะว่าถูกลงโทษหนักแบบนี้เนี่ยนะไม่มีคนสนใจไม่มีคนพูดจาพูดคุยด้วยก็ตั้งใจปฏิบัติจนท่านสุดนะก็บรรลุอรหัตผลนะเป็นพระอรหันต์น่าสนใจนะจากคนที่ดื้อด้านนะดื้อด้านตลอด 45, สี่ห้าพันศานี่ทำตัวนี่ป่วนคณะสงฆนะ์ผู้เจ้านี่ลงโทษกี่ครั้งนะก็ไม่สำนึกผิดอย่างแท้จริง จนกระทั่งพระองค์ปรินิพพานเนี่ยก็ยังไม่กลับตัวกลับใจแต่สุดท้ายเนี่ยนะพอโดนาการลงพรหมทันเนี่ยเรียกว่าเป็นการลงโทษที่หนักมากเนี่ยคือการลงโทษในในพุทธศาสนาเนี่ยไม่มีการทำร้ายนะไม่มีการาทรมานไม่มีการทุบตีไม่มีการฆ่าแต่ลงพรหมทันเนี่ยเปรียบเหมือนการฆ่าในใน พุทธศาสนานะีก็คือว่าเป็นการลงโทษค่ารุนแรงภาษาชาวบ้านก็เรียกว่าบอยคอรดหรือว่าความบาดความบาดมันก็มาจากศัพท์ในวงการสงฆ์ภาษากางเรียบอยคอรดก็คือไม่คบค้าสมาคมอย่างดนะีที่พระชนะเนี่ยนะรู้สึกตัวสํานึกได้ในที่สุดคนบางคนเนี่ยทำตัวไม่ดีนะพอรู้ว่าคณะสงฆ์หรือหมู่มิตรเนี่ยไม่พูดไม่คุยนะ เออกับดีใจนะกับดีใจเออดีฉันจะได้มีสระทำอะไรได้สบายหรือคนบางคนเนี่ยไม่รู้เนือ้อรู้ตัวน ะ, ะหมู่มิตรหมู่สงฆ์เนี่ยไม่พูดไม่คุยนะไม่ตักไม่เตือนบางทีไม่รู้ตัวนะเออคิดว่าตัวเองเนี่ประพฤติตัวเรียบร้อยไม่มีคนมาทักมาทวงหารู้มาปที่จริงเนี่ยคนเขาละอานะคนเขาละอาว่าพูดเท่าไหร่ก็ไม่เปลี่ยนแปลง ครนะูบาอาจารย์สั่งสอนแนะนำตักเตือนก็ยังเฉยเมยนะอันนี้เรียกว่าหนักเข้าไปใหญ่นะคนเขาไม่พูดไม่คุยไม่แนะนำไม่ตักเตือนเนีกับชอบนะอันนี้เรียกว่าไม่มีทางที่จะสว่างได้นะแต่พระฉั น, นนั้นยังดีนะออพอรู้เช่นนี้เนี่ยนะแทนที่จะดีใจว่าเออต่อไปนี้ไม่มีใครมายุ่งกับชันแลวชันเป็นอิสระแล้วชั้นจะทำอะไรก็ได้ กลับรู้สึกว่าโอ้โหนี่หนักมากเนี่ยก็เลยกลับตัวกลับใจแล้ว ก, กลายเป็นพระละหันให้เราได้กราบไหว้นะเป็นส่วนหนึ่งของอริยสงฆ์เนี่ยที่เราสวดเนี่ยนะสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยอันที่สงสาวกนี้ไม่ได้หมายถึงพระสงฆ์ที่นุ่งคนที่นุ่งห่มเหลืองนะแต่หมายถึงพระอริยเจ้าเนี่ยซึ่งก็รวมไปถึงพระช น, น, นะนะซึ่งเคยเป็นพระที่ น่าระอานะไม่มีใครอยากจะพูดถึงหรือว่ า, าสนทนาสมาคมด้วยแต่สุดท้ายท่านก็กลายเป็นพระที่น่าศรัทธาน่านับถือถ้อาคนเราเนี่ยนะถ้าจะเป็นเนี่ยนะก็จะก็น่าจะเป็นอย่างประการที่สองนะก็คือว่ามามืดนะแต่ไปสว่างนะหรือถ้ายี่ก็สว่างทั้งตอนมาแล้วก็ตอนไปใน ในในสายพุทธการนี่มีคนแบบนี้เยอะนะคนประเภทที่เรียกว่าพวกดื้อยากเนี่ยปพวกที่ประพฤติตัวที่ไม่เรียบร้อยเลยเนี่ยแต่ตอนหลังนี่กลายเป็นพระรหัส น, นอย่างบางกลุ่มเนี่ยบางท่านเนี่ยนะชอบส่งเสียงเอะโวยวายนะจนท่านผู้เจ้าตัดปรนนามนะไล่ไปเลยนะออกจากช้ตะวันไม่ต้องมาอยู่แล้วเนะี่ยส่งเสียงดังรบกวนผู้คน บอกว่าสำนึกผิดนะปรับตัวปรับใจนะับตัวกลับใจก็ตั้งใจปฏิบัตินะจนกระทั่งบรรลุอรหัตผลนี่แบบนี้ก็เยอะนะคือคนบางคนเนี่ยบางจำพวกเนี่ยต้องต้องโดนขนาบนะต้องโดนขนาบต้องโดนตำหนิติเตียนเนี่ยถึงจะรู้สึกนะเพราะฉะนั้นพูะเจ้าอยู่ังตัดว่าเนี่ยอนนนท์เราจะทำนะกับพวกเธอเนี่ยนะ เหมือนอย่างช่างหม้อนะเราจะขนาบแล้วขนาบอีกนะกับพวกเธอจะไม่ทนุถนอมนะเหลืองเหมือนกับช่างหมอ้อในทีเ่เรียกว่าขนาบแล้วนะตบแล้วตบอีกเนะี่ยดินจนกว่าดินเนี่ยจนกว่าเครื่องปั้นเนี่ยมันจะสวยจนกว่าหม้อนี่จะงามแล้พวกเราเนี่ยนะบางครั้งเนี่ยนะเมื่อถูกขกนาบเมื่อถูกตํานิติเตียนเนี่ยนะลอง นะมองว่าเออมันเป็นของดีมันอาจจะช่วยทำให้เราได้กลับเนื้อกลับตัวหรือว่าเกิดความสำนึกผิดขึ้นมาได้คนที่บรรลุธรรมเพราะว่าเจอไม้หนักหรือว่าเจอคำพูดแรงๆนี่ก็มีอยู่มากมายตัวหย่าอีกตัวอย่างหนึ่งคือมารดาของพระกุมารกัสปะนะก่อนบวชเนี่ยนะก็ตั้งคันแต่ว่ามาตั้งคันจริงๆก็ตอนที่บวชแล้วพอบวชแล้ว และตั้งครร น, นะก็เป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตนะแต่สุดท้ายก็พิสูจน์ได้ว่านะตั้งครรภมีการเสด็จเมตุนก่อนบวชนนะพอพอลูกคลอดออกมานะก็ก็ให้พระเจ้าเปรตที่กสนเนี่ยนะช่วยเลี้ยงดูเด็กก็ได้ชื่อว่ากุมารกัดสปะเป็นเด็กกัมพราตอนหลังก็ออกบวช น, นะเป็นสามเณรแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติ วันหนึ่งเดินบินธบาตแม่เห็นนะตอนนี้นเป็นพิสุจน์นี้แล้วนะก็วิ่งเข้าไปหาปรากฏว่าหกล้มสะดุดหินนะพ่อกุมากับสปากซึ่งตอนนั้นก็ไม่แน่ใจะเป็นสามนเณรหรือเปล่าก็เห็นนะแล้วก็รู้ว่าโอ้เนี่ยแม่เนี่ยห่วงเรามากนะ ย, ยึดติดเราเนี่ยถ้าหาเป็นอย่างนี้ต่อไปเนี่ยก็คงจะไม่มีทางที่จะ ก้าวหน้านะในทางธรรมะได้ก็เลยต่อว่าแม่อย่างแรงนะว่าท่านทำอะไรอยู่นะไปทำอะไรมานะแค่นี้ยังตัดยังตัดใจนะไม่ได้คือท่านพูดแรงๆเพื่อให้แม่เนี่ยได้สำนึกส่วนแม่ซึ่งเป็นภิกษุณีเนี่ยนะก็น้อยใจนะเพราะว่าตัวเองเนี่ยรักลูกมากนะตลอดเวลาสิกปีเนี่ยคิดถึงลูกทุกวันเลย ปาถนาดีกับลูกนะแต่ลูกเนี่ยมาพูดกับเราอย่างนี้นะก็เกิดความก็เลยตัดใจนะต่อไปนี้ฉันไม่สนใจลูกแล้วฉันตั้งใจจะปฏิบัติพราก็ว่าภายในวันนั้นเนยนะก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ได้ภายในวันเดียวกับที่ถูกตำหนินะี่ยถูกลูกตำหนิว่าเนี่ยไปทำอะไรอยู่เนะี่ย มืนกันวบว่ชไปไม่มีความหมายเลยอันนี้ถ้าไม่ถูกลูกเนี่ยต่อว่าเนี่ยไม่ถูกลูกนะใช้คําพูดแรงๆเนี่ยก็คงจะยังจมดิ่งนะอยู่กับความห่วงใ ย, ยความอาลัยลูกคนบางคนเนี่ยต้องอาศัยนะการขนาบนะต้องอาศัยการตําหนิตีเตียนแต่บางคนนี่ก็เรียกว่าไม่ได้ผลนะอย่างพระชันน่าเนี่ย ขนาดถูกพระเจ้าตําหนินะถูกลงโทษเนี่ยเท่าไหร่ก็ไม่สํานึกจนกระทั่งเจอไม้แรงนะซึ่งธรรมชาติคนเราเนี่ยต้องปราศนาการยอมรับนะพอผู้คนไม่คบไม่ค่าไม่สมาคมไม่ไม่แม้กระทั่งตําหนิหรือว่าตักเตือนเนี่ยก็รู้สํานึกได้แต่ก็อย่างที่ว่าคนบางคนก็ไม่รู้สํานึกนะผู้คนไม่พูดไม่คุยก็ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยนะเป็นที่ละอาของหมู่คณะนะก็ยัง อยู่ปกติเหมือนเดิมอันนี้ก็เรียกว่าช่วก็จะดิงด่งดิ่งดิ่งดำลงไปนะไปในทางแย่ไปเรื่อยๆโดยนี่พระเจ้าเนี่ยจึงสอนว่าเนี่ยกัลยาณมิตรเป็นสิ่งสำคัญนะคนเราเนี่ยบางครั้งจะดีได้ต้องอาศัยกัลยาณมิตรนะกัลยาณมิตรเนี่ยไม่เพียงแต่ให้กำลังใจแต่ว่าอาจจะรวมถึงการตนิติเตียนนะหรือว่าการขนาบ ซึ่งก็ทำให้เกิดความขนขวายความกระตือรือร้นในการที่จะกลับตัวกลับใจและทำความดีได้เพราะฉะนั้นเวลามีใครตำหนิติดเตียนเรานะออลองมองว่าเขาเนี่ยเป็นกำลังเป็นกะะนัลยาณมิตรของเราช่วยทำให้เราเนี่ยจะเลยเงาะงามในทางธรรมะ